เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอังคารวันพุทธที่ยี่สิบสิงหาคมพุทธศักราช2546หตรงกับวันแรมแปดค่ำเดือน9เป็นวันพระเป็นวันธรรมมรสวนสะ วันฝังธรรมพอถึงเวลาวันพระศรัทธาญาติโยงผู้มีความศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ <c oughs> ก็จะมาที่วัดกันเพื่อปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลาย ได้สอนให้ปฏิบัติการมาวัดนี้ถือว่าได้มาสู่ที่สว่างถ้าอยู่นอกวัดก็เหมือนอยู่ในที่มืดเพราะเวลาที่มาวัดเราจะทำแต่สิ่งที่ถูกสิ่งที่ดีเพราะมีแสงสว่างทำให้เรา สามารถแยกแยะสิ่งที่ถูกจากสิ่งที่ผิดได้สิ่งที่ดีจากสิ่งที่ไม่ดีได้เราจึงมีการทำบุญทาทานมีการรักษาศีลมีการไหว้พระสวดมนต์มีการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมเจริญปัญญาเพื่อการหลุดพ้นจาก ความทุกข์ทั้งหลายเหตุที่เราได้ทำสิ่งเหล่านี้กันก็เป็นเพราะว่ามีแสงสว่างทําให้เราเห็นถึงความถูกต้องดีงามของการปฏิบัติเหล่านี้นั่นเองถ้าเราอยู่นอกวัดก็เปรียบเหมือนกับอยู่ในที่มืดอยู่ในที่มืดย่อมไม่เห็นผิด เห็นถูกเห็นดีเห็นชั่วก็เลยทำแต่สิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่วเช่นมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีการลักทรัพย์ประพฤติผิดตัวแวดีโกหกหลอกลวงเศษสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรมีความเกลียดคร้านนี่คือการปฏิบัติที่จะนำมา สึ่งความทุกข์และความวุ่นวายใจดังนั้นเวลาอยู่นอกวัดจึงไม่เหมือนกับเวลาอยู่ในวัดอยู่นอกวัดเหมือนกับอยู่ในที่มืดก็มีแต่การกระทำที่ไม่ดีไม่งาม น, นำมาสึ่งความทุกข์ความวุ่นวายแต่เวลามาที่วัดก็มีแสงสว่างก็มีแต่การทำความดี มีการกระทำในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ผลที่ปรารถนาคือความสุขความเจริญก็เป็นสิ่งที่จะตามมาต่อไปการที่พูดว่าการมาวัดนั้นมีแสงสว่างกับการที่อยู่นอกวัดนั้นมีความมืดคือเป็นการเปรียบเทียบให้ฟังว่าจิตใจของคนเหล่านั้น มีมืดได้มีสว่างได้เพราะมีเหตุที่ทำให้มืดและมีเหตุที่ทำให้สว่างเหตุที่ทำให้มืดก็คือความหลงความมืดบอดเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นทุกข์เป็นสุขอย่างนี้เรียกว่าเห็นเห็นผิดเป็นชอบเป็นความหลงแต่เวลามาอยู่ในวัด จะมีแสงสว่างแสงสว่างนี้ก็คือปัญญาคือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้มีแสงสว่างปรากฏขึ้นในพระทัยของพระพุทธเจ้าจากการศึกษาปฏิบัติธรรมจนตัดสรู้การตัดสร้นี้หมายถึงการได้รู้ในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ใน โลกนี้รู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดรู้คุณรู้โทษเมื่อทรงรู้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วก็นำมาเผยแผ่ให้กับผู้ที่ยังมีความมืดบอดครอบงำจิตใจยอยู่ให้มีแสงสว่างเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตไปในแนวทางที่ถูกต้อง นำมาซึ้งความสุขและความเจริญนี่คือความหมายของความสว่างความสว่างก็คือธรรมะที่เรียกว่าแสงสว่างแห่งธรรมหรือธโมปีโปปฏิบแห่งธรรมเพราะว่าธรรมะนั้นสามารถแยกแยะสิ่งต่างๆออกได้ว่าเป็นคุณหรือเป็นโทษ ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ว่าเป็นความเจริญหรือเป็นความเสือ่อมถ้าปราศจากธรรมะจิตใจก็เปรียบเหมือนกับอยู่ในที่มืดหรือถูกสิ่งปิดบังมาปิดกั้นสายตาไม่ให้เห็นสิ่งต่างๆได้นี่เรียกว่าความหลงทำให้ต้องคลำไป เวลาทำไปก็เปรียบเหมือนกับจับปลาแบบสุ่มสี่สุ่มห้าไปไม่รู้ว่าปลาอยู่ที่ตรงไหนก็สุ่มไปถ้าโชคดีก็ได้ตัวปลาถ้าโชคไม่ดีก็ต้องสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ชีวิตของพวกเราก็เปรียบเหมือนกับการสุ่มหาปลาพวกเราทุกคนสแสวงหาความสุขความเจริญด้วยกันทุกคนแต่ชีวิตของเรา กลับไปเจอแต่เรื่องวุ่นวายใจเรื่องความทุกข์เรื่องความไม่สบายใจก็เป็นเพราะว่าเราเป็นคนที่มีความมืดบอดปิดกั้นสายตาของเราทำให้เราไม่สามารถเห็นตัวปลาได้คือไม่สามารถเห็นความสุขความทุกข์ได้เราเลยไม่รู้จักแยกแยะเราก็เลยคว้าผิดคว้าถูกมาส่วนใหญ่ก็มักจะไปคว้า เอาความทุกมาให้เช่นการกระทําที่เป็นบาปนั้นทั้งๆ ท, ที่เรารู้ว่ามันไม่ดีแต่เราก็ยังต้องไปกระทํากันก็เป็นเพราะว่าเราคิดว่าเราทําไปแล้วเราจะได้ความสุขเช่นคนไปรักขโมยทรัพย์ของผู้อื่นหรือไปช่อโอมทรัพย์ของผู้อื่น ก็คิดว่าตนเองจะมีความสุขเพราะว่าเมื่อมีทรัพย์แล้วก็สามารถนำเอาไปใช้จ่ายซื้อหาความสุขต่างๆได้แต่ไม่คิดถึงความทุกข์ที่จะตามมาถ้าเกิดถูกจับได้ก็ต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตารางบทอิสระภาพต้องอยู่แบบอดอดอยากอยา ก, อ ย, ากอยู่แบบทุกข์ทรมานนี่เป็นเพราะว่าขาดปัญญา ความเฉลียวนั่นเองคนเราฉลาดแต่ขาดความเฉลียวก็ไม่ดีความฉลาดก็คือคิดหาวิธีหาเงินหาทองได้แต่ไม่เฉลียวว่าวิธีที่หาเงินทองมานั้นเป็นคุณหรือเป็นโทษเมื่อหามาด้วยความไม่เฉลียวก็ไปช่อโ ก, กงไปคอร์รัปชันไปลักเล็กขโมยน้อยแล้วในที่สุดก็ต้อง ถูกจับเข้าคุกเข้าตารางไปนี่คือความฉลาดแต่ไม่เฉลียวแต่ถ้าเป็นคนที่ฉลาดและเฉลียว<ม>ก็ต้องคิดว่าเงินทองนี้ก็เป็นประโยชน์สามารถนำมาใช้อะไรได้หลายอย่าง<ม>เช่นมาดูแล ร, รักษาอัตภาพร่างกายให้อยู่ได้ด้วยความสุขด้วยความสบายแล้วถ้ามีเหลือก็สามารถนำเอาไปสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาได้มีความสุขเมื่อเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นก็ทำให้จิตใจของเรามีความสุขมีความสงบเพราะจิตใจได้รับการชำระ ช, ชาระจากการที่เราช่วยเหลือผู้อื่นเป็นการชำระความเห็นแก่ตัวชำระความตันีิชำระชระความโลภ อันเป็นเหตุที่ทำให้จิตใจมีความเศร้าหมองไม่เบิกบานไม่สดชื่นไม่มีความสุขนี่คือคุณของเงินทองแต่ถ้าไม่คิดถ้าไม่มีความเฉลียวว่าวิธีหาเงินนั้นมีทั้งสองวิธีคือหามาได้โดยปราศจากโทษกับหามาแล้วเกิดโทษตามมาถ้าไม่เฉลียว ก็ไม่สนใจจะคิดจะแยกแยะว่าวิธีไหนถูกวิธีไหนควรถ้ามีความเฉลียวใจก็จะต้องคิดเสก่อนว่าการที่จะไปหาเงินทองมาแบบนี้ถูกหรือไม่หรือผิดอย่างไรเช่นเราไปรักทรัพย์ของผู้อื่นไปโกหกหลอกลวงไปช่อโกงอย่างนี้ถูกหรือผิดถ้าเป็นคนมีความเฉลียว ก็จะรู้ว่าการกระทําแบบนี้เป็นการกระทําที่ทุจริตทาไปแล้วต้องมีโทษตามมาถ้าเป็นเช่นนั้นสู้อย่าทําดีกว่าถึงแม้จะอดอยากบ้างยากจนบ้างแต่ก็ไม่มีโทษร้ายแรงเท่ากับการที่ไปกระทําการทุจริตนี่คือความเฉลียว ถ้ามาเป็นเช่นนั้นก็จะไม่กล้าทําในสิ่งที่ผิดที่เป็นโทษนะจะทําแต่สิ่งที่เป็นคุณก็ทําแต่ที่สุดจริตเช่นไปทำมาหากินเป็นคนรับจ้างทํางานเพื่อรับงเงินเดือนจากเขามาอย่างนี้เป็นการกระทําที่ไม่มีโทษตามมาตํารวจไม่จับเข้าคุกเข้าตารางนี่คือความหมายของความเฉลียว กับความฉลาดถ้าฉลาดอย่างเดียวไม่เฉลียวก็ร่ำรวยได้เป็นเศรษฐีได้แต่ชีวิตจะมีแต่ความวุ่นวายและต้องคอยแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะตามมาตลอดเวลาเพราะเมื่อทำอะไรที่ผิดไปแล้วโทษมันก็จะต้องตามมาและในไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องถูกนำไปลงโทษในที่สุด ในขณะที่โทษยังไม่ตามมามันก็มีความทุกข์อยู่ในใจความวุ่นวายใจคนเราเวลาทำอะไรที่ผิดศีลผิดธรรมแล้วจิตใจจะไม่สงบจิตใจจะไม่นิ่งจิตใจจะต้องมีความวิตกมีความกมังวลห่วงใ ย, ยว่าจะต้องถูกจับได้ในวันใดวันหนึ่งนี่ก็เป็นโทษอีกอย่างหนึ่งโทษทางใจ ถึงแม้จะมีบ้านหลังใหญ่โตราคาเป็นสิบสิบล้านมีสมบัติเข้าของเงินทองเงินทองมากมายแต่เป็นทรัพย์ที่หามาด้วยความไม่ถูกต้องเวลานอนหลับก็นอนแบบไม่สบายใจมีแต่ความกังวลกินกินก็กินไม่อร่อยอร่อยเขาเรียกว่าอยู่แบบกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะการกระทำ ของตนมีโทษนั่นเองในทางตรงกันข้ามถ้าเราหาทรัพย์มาด้วยความสดจริกถูกต้องตามหลักศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายเงินทองที่เราได้มาทุกบาทจะไม่มีโทษจะไม่สร้างความวุ่นวายใจให้กับกับเราเราจะอยู่อย่างสุขสบายกินก็สบายนอนก็สบายไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลว่า จะมีใครมาจับเราไปเข้าคุกเข้าตลาด น, นี่คือความหมายของความฉลาดและความเฉลียวฉลาดคือรู้ว่าอะไรเป็นคุณเป็นโทษเช่นรู้ว่าทรัพย์นี่ก็เป็นคุณมีประโยชน์เอามาใช้ประโยชน์ได้แต่วิธีหาทรัพย์ก็ต้องเฉลียวต้องรู้ว่าวิธีที่หามานั้นถูกหรือผิด ถ้าผิดก็อยากไปหามาถึงแม้จะได้มาแต่ไม่คุ้มค่าเพราะว่าความสุขที่ได้จากการใช้ทรัพย์นั้นมันจะไม่พอเพียงกับความทุกข์ที่เกิดจากการไปหาทรัพย์มาโดยวิถีที่พิชอบความทุกข์ใจมันจะกลบความสุขใจเวลาใช้เงินใช้ทองไปเที่ยวไปจับจ่ายเข้าของอะไรก็ตาม มันจะมีความรู้สึกจืดๆไม่ค่อยสบายใจเพราะยังมีความกังวลอยู่ว่าจะถูกจับได้หรือไม่นั่นเองแต่ถ้าหามาด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความสดจเล็กแล้วเวลาใช้ทรัพย์นั้นก็จะมีแต่ความสุขโดยถ่ายเดียวไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำผิดมาบดบังจิตใจ การที่คนเราจะฉลาดจะเฉลียวได้ก็ต้องอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าคือแสงสว่างแห่งธรรมนั่นเองดังที่เราได้มาที่วัดกันอย่างสม่ําเสมอมาฟังธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้ามาฟังถึงเหตุที่เป็นความเจริญและเหตุที่เป็นความทุกข์นี่เราเมื่อเรารู้ว่าเหตุไหนเป็น เหตุที่นำมาซึ่งความเจริญเราก็บำเพ็ญแต่เหตุนั้นๆความเจริญก็จะตามมาเหตุไหนที่เป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ความวุ่นวายใจเราก็ละการกระทาคือละการบำเพ็ญเหตุนั้นเสียความทุกข์ความเสื่อมเสียความวุ่นวายใจทั้งหลายก็จะไม่ตามมา ถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังธรรมเราก็จะไม่มีแสงสว่างไปดับความมืดบอดที่เกิดจากความโง่ภายในใจของเราเราก็จะดำเนินชีวิตไปในทางที่ผิดดังคนที่อยู่นอกวัดจะมักจะทากันคนนอกวัดนี้เราจะสังเกตเห็นได้เลยว่า การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทัก์การประพฤติผิดตเวนีการพูดปดหงดเท็จการโกหกหลอกลวงการเสพย า, ยาเมาการเล่นการพ น, นันการเที่ยวตอนกําคืนความเกียดค้นเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เขาทํากันอยู่เป็นปกติวิสัยเมื่อทําไปแล้วก็มีแต่เรื่องวุ่นวายตามมาดังที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่แทบทุกวัน มีข่าวฆ่ากันมีข่าวชิงทรัพย์กันมีข่าวทำร้ายกันอยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นเพราะว่าจิตใจของคนที่อยู่นอกวัดนั้นมีความมืดบอดครอบงมอยู่นั่นเองไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมจึงไม่รู้จักผิดรู้จักถูกไม่รู้จักดีจากชั่วก็เลยทำแต่สิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่วเมื่อทำไปแล้ว ก็ต้องรับขอบ้อกรรมไปซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นเลยถ้าทุกคนแสวงหาเวลาหรือสละเวลาสักอาทิตย์ละครั้งเข้าวัดเข้าวากันมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมชำระขัดเกลาค ว, วามมืดบอดที่มีอยู่ภายในใจให้ค่อยๆจางไป เมื่อความมืดบอดจางไปมากน้อยเพียงไรความสว่างในใจก็จะมีมากขึ้นเพียงนั้นเหมือนกับคนที่ถูกปิดตาไว้ถ้าสามารถเอาสิ่งที่ปิดตาออกได้ก็จะสามารถเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้การที่เราจะทำให้คนที่ถูกสิ่งที่ ปิดตาปิดกัน้นไม่สามารถให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ให้เขาเห็นว่าสีต่างๆเป็นอย่างไรเช่นสีแดงสีเขียวสีขาวนั้นเป็นอย่างไรถ้าเขายังมีสิ่งที่ปิดกั้นตาเขาอยู่เขาจะไม่สามารถมองเห็นได้สิ่งสีเดียวที่เขาจะเห็นก็คือสีดำเพราะเวลาตาเราถูกปิดกัน้นก็จะไม่เห็นสีอย่างอื่นจะเห็นแต่สีดำอย่างเดียว จะบอกเขาว่าสีแดงสีเขียวสีขาวสีเหลืองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อธิบายไปอย่างไรเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจได้แต่ถ้าเราช่วยเขาเรือบอกเขาให้ถอดเครื่องที่ปิดตาเขาอยู่ออกมาเมื่อสิ่งที่ปิดตาถูกถูกเปิดออกเมื่อตาเขาสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้เขาก็จะรู้เขาก็จะเข้าใจทันทีว่า สีเขียวสีแดงสีเหลืองนั้นเป็นอย่างไรฉันใดความมืดบอดที่อยู่ในใจเราก็เป็นเหมือนสิ่งที่ปิดกั้นดวงจิตไม่ให้สามารถเห็นผิดถูกดีชั่วได้ถ้าเราสามารถสอนให้เขาเอาสิ่งที่เป็นเครื่องปิดกั้นใจเขาออกได้เขาก็จะสามารถเห็นสิ่งต่างๆได้เหมือนกับ คนที่ไม่มีอะไรปิดกั้นใจเขาเช่นพระพุทธเจ้าและพาาระอรหันตสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมจะเป็นวิธีที่จะทําให้โมหะความมืดบอดที่ปิดกั้นดวงจิต ด, ดวงใจไม่ให้เห็นผิดถูกดีชั่วนั้นให้สามารถเห็นได้ การปฏิบัติธรรมจึงเป็นวิธีเดียวที่จะทําให้สามารถเห็นสิ่งต่างๆเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้พระพุทธเจ้าไม่สามารถเสรเป่าให้เราเห็นผิดถูกดีชั่วได้แต่ท่านสามารถสอนให้เราปฏิบัติจนกระทั่งเราสามารถกําจัดหรือเอาสิ่งที่เป็นเครื่องปกปิดกั้นจิตใจ ที่ทำให้มืดบอดนั้นออกไปได้ทำให้มีดวงตาสว่างเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้การปฏิบัติธรรมจึงเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เรานั้นสามารถรู้เห็นแยกแยะเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องดีเรื่องชั่วได้ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ในการที่จะดําเนินชีวิตไปให้เป็นไปในทิศทางที่ดีที่งามที่สุขที่เจริญเราจําต้องปฏิบัติธรรมกันการปฏิบัติธรรมจะช่วยทําให้มีดวงตาสว่างมีดวงตามีแสงสว่างแห่งธรรมการปฏิบัติธรรมนี้ก็แบ่งเป็นสองระดับขั้นแรกเรียกว่าสมาธิขั้นที่สองเรียกว่าปัญญา ทั้งสองท่านนี้จะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้โมหะความมืดบอดนั้นหมดไปจากจิตจากใจเวลาที่เราทำสมาธิแล้วจิตจะสงบลงเวลาจิตสงบลงจิตก็จะใสเหมือนกับน้าที่ขุนหลังจากได้รับการแกว่งสารส้มอยู่สักพักหนึ่ง ตะกอนต่างๆก็จะตกลงไปในในก้นบึงก็จะทำให้น้ำใสขึ้น<ม>เห็นชัดเมื่อ น, น้ำใสแล้วก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในน้ำได้ไม่ว่าจะเป็นตัวกวูปลาหรืออะไรก็าตามที่มีอยู่ในน้ำก็จะเห็นชัดฉันใดเวลาทาจิตให้สงบด้วยการทำสมาธิเวลาจิตสงบนิ่งลง<ม>จิตก็จะใส จิตก็จะเห็นความสุขเห็นความทุกข์เห็นความดีความชื่อที่มีอยู่ในใจแต่การทำสมาธินั้นเป็นเพียงการกระทำจิตให้ใสได้เป็นครั้งเป็นคราวขณะที่จิตสงบเป็นสมาธิอยู่ตอนนั้นจิตก็จะใสแต่พอจิตถอนออกมาจากสมาธิแล้วเริ่มไปคิดถึงเรื่องราวต่าง เริ่มไปทํานูน่ทนทํานี่จิตตะกอนต่างๆที่อยู่ในก้นของจิตก็จะขุ่นก็จะลอยขึ้นมาทําให้น้ําจิตนั้นขุ่นไปเหมือนกับน้ํำในตุ่มที่หลังจากเราได้แกว่งสามส้มทําให้ตกตะกอนแล้วถ้าเราเอาอะไรไปกวนน้ําในตุ่มตะกอนที่นอนก้นอยู่ก็จะ ลอยขึ้นมาปะปนกับน้าอีกทำให้น้าขุ่นมัวได้อีกจิตก็เช่นกันเวลาออกจากสมาธิออกจากความสงบความใสก็จะถูก<ม>ก็จะหายไปก็ทำให้เกิดมีความขุ่นมัวความมืดบอดกลับมาอีกเวลาไปทำอะไรก็จะต้องทำแบบผิดๆถูกๆอีกแต่ถ้า<ม>เราใช้ธรรมะ ขั้นที่สองที่เรียกว่าปัญญาให้แยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วทุกครั้งเวลาเราสัมผัสกับอะไรเราทำอะไรเราคิดเสียก่อนว่าเราทำนี้ถูกหรือไม่หรือผิดเพราะทุกการกระทาของเรานั้นมันมีทั้งดีและชั่วทั้งผิดและถูกเช่นเวลาจะรักทรัพย์นี่ถามตัวเองเสียก่อนว่า เป็นการกระทำที่ถูกหรือผิดเป็นคุณหรือเป็นโทษถ้ารู้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดก็ไม่ทําเสียอย่างนี้โทษก็ไม่ตามมันมาเวลาทำอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เช่นเวลาทำบุญทาทานเวลาได้ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างนี้ถามตัวเองว่ามันเป็นคุณหรือเป็นโทษเมื่อพิจารณาดูก็จะเห็นว่า มีแต่คุณไม่มีโทษถ้าเป็นคุณําไปก็มีแต่ผลดีตามมาไม่มีผลเสียตามมานี่คือการใช้ปัญญาเราต้องรู้จักแยกแยะผิดออกจากถูกดีออกจากชั่วนี่คือการเจริญปัญญาในระดับหนึ่งส่วนปัญญาอีกระดับหนึ่งก็คือ การที่จะศึกษาทำความเข้าใจถึงธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากมีอยากได้มาเป็นสมบัตินั้นธรรมชาติที่แท้จริงของเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราตลอดไปได้หรือเปล่า เลิกเป็นสิ่งที่ให้ความสุขในเบื้องต้นแล้วกลายเป็นความทุกข์ในเบื้องปลายถ้าเราใช้ปัญญาเราวิเคราะห์ดูเราก็ต้องถามว่าสิ่งอันใดก็ตามสิ่งไหนที่เราอยากได้นะั้นถ้าเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราได้สิ่งนั้นก็ย่อมสามารถ ให้ความสุขกับเราได้ไปตลอดไม่ใช่เพียงแต่ความสุขในเบริ่มต้นเช่นเราไปได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งของชิ้นั้นจะอยู่กับเราไปตลอดหรือเปล่าเราสามารถควบคุมดูแลให้อยู่กับเราให้เป็นเหมือนเดิมเหมือนกับวันที่เราได้มาในวันแรกหรือเปล่าถ้าเราสามารถควบคุมได้สามารถทำไม่ให้เขาเปลี่ยนแปลงได้ ของชิ้นนั้นก็สามารถให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดแต่ความจริงแล้วของแบบนั้นมีอยู่ไหมในโลกนี้คิดว่าไม่มีเพราะว่ า, วาไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราได้มาเวลาได้มาในเบื้องต้นก็จะเป็นของใหม่แต่ปล่อยทิ้งไว้สักระยะหนึง่งก็จะต้องเป็นของเก่าไปเสื้อผ้าเวลาซื้อมาก็ใหม่ แต่พอใช้ไปใส่ไปสักระยะหนึ่งก็เก่าแล้วก็ขาดได้หรือว่าถ้าเราไปแขวนไว้ไปตากไว้เผลอก็อาจจะมีคนมาหยิบมาขาโมยไปก็ได้เมื่อเป็นสิ่งที่เรารักแล้วต้องสูญเสียไปใจของเรายังจะมีความสุขอยู่หรือเปล่าหรือจะต้องเศร้าโศกเสียใจร้องโหยร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับ นี่ก็คือการวิเคราะห์ด้วยปัญญาทุกครั้งเวลาที่เราต้องการจะได้อะไรมาเพื่อให้ความสุขกับเราเราต้องถามตัวเราเองว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะเอามาให้ความสุขกับเรานี้จะเป็นความสุขไปตลอดหรือเปล่าหรือจะเป็นสุขตอนต้นแล้วเป็นทุกข์ตอนปลายถ้าเป็นเช่นนั้นอย่าเอามาไม่ดีกว่าเลย ถ้าเราไม่มีสิ่งนั้นเสียแต่ต้นเราก็ไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้ในภายหลังเพราะว่าของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือเป็นบุคคลเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นั้นอยู่ภายใต้กดของตายักทั้งสิน้นตายรักก็คือไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจงเป็นทุกข์ เป็นทุกข์ันะแล้วก็เป็นอนัตตาคือไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใครทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเขาไหลเวียนไปเปลี่ยนแปลงไปมีเหตุมีปัจจัยเหมือนกับเมฆบดท้องฟ้าไม่มีใครสามารถไปบังคับให้เมฆเป็นไปตามความต้องการได้ เม่จะต้องลอยไปตามลงแล้วจะต้องตกลงมาเมื่อมีความหนักเกินกว่าที่จะลอยอยู่บนท้องฟ้าได้ก็ตกลงมากลายเป็นฝนเมื่อตกลงมากลายเป็นฝนก็ไหลลงไปในลำ น, น้ำลำคลองลาห้วยไหลลงไปในทะเลแล้วในที่สุดก็ละเหยกลับขึ้นกลายเป็นเมฆอีกนี่เป็นเรื่องของสิ่งต่างๆในโลกนี้ ไม่มีอะไรคงที่เป็นคงสภาพเหมือนเดิมไปเสมอตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับร่างกายของเราร่างกายของเราก็ไม่อยู่ค ง, งเส้นคงวาตั้งแต่เกิดมาก็มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดไม่เชื่อลองกลับไปดูภาพที่ถ่ายตอนที่เราคลอดออกมาใหม่ๆว่ากับตอนนี้นั้นเหมือนกันไหม ไม่เหมือนกันและภาพของเราในขณะนี้ถ้าเรารออีกสักสิบยี่สิบปีเรามาเปรียบเทียบดูอีกเราก็จะรู้ว่ามันก็ไม่เหมือนกันอีกเช่นกันเพราะนี่ก็คือสภาพของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ท่านถึงบอกว่ามันเป็นของไม่เที่ยงอนิจจงเป็นอนัตตามันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครควบคุมบังคับได้ มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าไปยึดไปติดคิดว่าจะเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับตนก็จะต้องมีความทุกข์กับสิ่งนั้นๆในยามที่สิ่งนั้นๆเปลี่ยนแปลงไปสูญหายไปหมดไป